ก็เอาความเพียนบุกเบิกไปก่อนมีสติไปก่อนมันมีอะไรเกิดขึ้นกับรู้ไว้ก่อนเอาตัวรู้เฉลยไว้ก่อนบางทีก็ทาไปวันสองวัยมันก็ได้คำตอบออกมาไม่ต้องถามครูาอาจารย์เลยประสบการณ์หวดเรียนจากตัวเองมันดีกว่าที่จะเกิดจากคู้อื่นถามคนอื่น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 ก็อย่าไปคิดว่ามันจะเหมือนกันนิมิตไม่ใช่เป็นเหมือนกันทุกคน ป, ป, นนนคนปิติก็ไม่เป็นเหมือนกันทุกคนปัจธิก็ไม่เป็นเหมือนกันทุกคนบางคนก็เลืองปัญญาเข้าไปเลยไม่ต้องผ่านนิมิตปอะไรต่างๆรู้เข้าไปเลยไม่ต้องไปคล้องแว้อะไรอย่าเอ้ยเราไม่ทําไมไม่เป็นเหมือนท่านบางทีอยากให้เป็นบางทีไม่ต้องเราไปเลยมีสติสัมัญญะ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 มันรอบแรกก็ไม่ค่อยดีหรอกมันหลงแรกหลงอีกเรื่องเก่ายังก็มอหลงอีกเรื่องเก่ามอทุกอีกเอ๊ะมัมือนตัวเอมันทำไมมันไม่ผ่านไปไหนมันยังอยู่ตรงนี้หรือจะไปเอะใช่เรามีสติเลื่อยไปมีสติเรื่อยไปถ้าปราบตัวนี้ได้แล้วอันหนึ่งก็ค่อยสงบลงมาก ความคิดความลังเลส่องใสความวิตกกังวลควา ม, ววามวโมงหงอนอนความคิดพงซ่นอนมาณทิติกามมาลาคะปฏิคะเคยคินยังไงก็ค่อยห ล, ยลวว่นอหายระวัลอายสติล้ ว, วัลไม่สุขสนเหมือนเมื่อก่อนแต่ก่อนมันสุขสนมาก็ถึงปุ๊บทันดีเกิดกิเลสขึ้นมามาถึงปุบ๊บตันทีเกิดความรักมาถึงปุบ๊บทั่นดีเกิดความช่างพอใจไม่พอใจ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 อมันอยู่ตรงนี้แก็ลูกยิงๆิงเหมือนแม่เลี้ยงลูกอ่อนลูกลองให้แม่ผู้เลี้ยงลูกก็ดูเออเอาหูฟังท้องเอาแ้มมาสัมผัสกับท้องลูกเอาแ้มมาสัมผัสกับหน้าตาตรงไหนมันร้อนนะไม่ร้อนนะท้องก็ยังดีอยู่นะลองให้แบบนี้ไม่ใช่ปวดท้องแน่นอนลองให้อย่างนี้ก็ไม่ใช่เจ็บป่วยดู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 กินจูอยอนองร้องให้มาก็หายร้องนั่นเองไม่มีความมั่นใจขนาดนั้นแม่เลี้ยงลูกไม่มีทางที่จะเป็นเหมือนเวลาอันตัวเราแท้เนี่ยมันไม่ใช่ลูกนะมันก็อยู่กับเราเนี่ยมันหลงมันรู้มันก็อยู่กับเราเนี่ ย, อ, ย, ยอะไรที่มันเกิดขึ้นมันไม่ซุกไม่ซ่อนมันโชว์ให้เห็นอยู่เกิดขึ้นมาเลยไม่ใช่สติ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 เรียว่าลึกซึ้งคำพิรภาพงดงามจำได้มันหลงก็รู้ชื่นใจเวลามันหลงเรามีความรู้มันทุกข์ก็รู้ชื่นใจเวลามันทุกข์รู้จักตัวนะมันลึกซึ้งคำพิรภาพปอนโยนไม่ใช่เฉิงกล้าวพระเจ้าตัดออกมาคำใดดูกนดูกนเพราะที่สุดเลยดูกอนนนกรเลีนยนมิดเื่นดีมิดดีไม่ใช่ ธ ร, รมด า, าพาไปทั้งว่าถึงผลได้ดูก่อนนอนนอนดูก่อนดูก่อนประจวบชีดูก่อนพรามลึกซึ้งงดงามความพีรภาพเรานี่ก็ต้องงดงามกับตัวเองอย่าไปแข็งเกล้าเกินไปเต็งเครียดเกินไปพอใจไม่พอใจมันแข่งเก้าอย่างเราเขียนไว้ที่ประตูวัดประตูเหล็กเปิดได้ปิดด้วยพอดีใช่ไหม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 ถ้าเรามีสิมันจะรู้นะถ้าเราเขาไปเป็นมันจะไม่ค่อยรู้อะไรมันจะไม่ค่อยได้บทเรียนบทเรียนที่มันเกิดให้เรารู้เรากลายเป็นไม่รู้ไม่ขี้มันเมื่อเราไม่รู้ไม่ขี้ไปสอนคนอื่นก็ไม่รู้ไม่ขี้ให้คำตอบเมลาอาจารย์สงครามมาก็ให้ไปสัมผัสกับญาติยอมนักปฏิบัติตัก่อนเพื่อจะเอาข้อมูลที่จากการปฏิบัติของผู้คนแล้วนามาพูดมาสอนให้บอกต่อกันคนหนึ่ง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 ก็พเพียงแต่เราก็บอกว่าถ้าจะให้ได้ผลในการปฏิบัติธรรมนักสอนธรรมะไม่ใช่จำมาพูดแปลข้อมูลจากผู้ปฏิบัติมาเป็นปัจจุบันข้อมูลที่เกิดจากผู้ปฏิบัติที่เรามาสอนวันนี้นั่งอยู่นี้นำมาพูดเรื่องคนนั่งอยู่นี้ให้เขาได้ยินข้อมูลปัจจุบันของเขาคนที่ไม่มีข้อมูลก็จะได้ฟังก็จะได้รู้ได้บทเรียนเรื่อยไปมันจ ะ, จะเกิดผล เดี๋ยวนี้นักสอนธรรมะเนี่ยพูดเย่งๆจำมาอ่านมาบางทีขยายลำพองออกไปในบ้านโนนคนฟังอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเลยขึ้นลำพองใหญ่สูงเข้าไปในบ้านต้หนหนวกหูชาวบ้านเขาคนฟังไม่รู้เรื่องพูดไปโน่นไม่ได้พูดให้คนนั่งอยู่นี่นนก็ไม่ค่อยได้ผลวิธีปฏิบัติธรรมที่ให้ได้ผลคือเอาข้อมูลจากผู้ปฏิบัติมาแสดงทุกวันทุกวัน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 แสดงไม่ป่อยให้ว่าเวไม่ทําอะไรที่ทําให้คนป่วยเสียอกเสียใจเยี่ยวยากันทางด้านจิตใจอันนี้เราทํางานก็ันเราทํากับตัวเองก็บางคั้งบางที่ต้องสุขโผลโคกอบชั่มพีรภาพเห็นความทุกข์จะปฏิเสธความสุขเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ความรู้สึกตัวแบงนี้อย่างนี้จะละเอียดละเอียดไปมันกวดบ้างก็สะอาดไปเลยไม่ต้องกวดอีก ละเอ lawyer, ียดมันก็ละไปละไปบางทีก <aya> ็พบเดียวได้ความโกรธโกรธทีเดียวไปได้เลยเพราะมันละเอียดความทุกข์ทุกทีเดียวไปได้เลย่วัยที่สุดเลยไวัยกว่าคนที่ไม่ละเอียดคนไม่ละเอียดเนี่ยก็ไม่ค่อยสาดความหลงก็ไม่ค่อยสาดจิตใจความทุกข์ไม่สาดจิตใจความโกรธไม่สาดจิตใจความโลภความหลงความรักความชังไม่สาดตัณฑ์ยังค้างคาจิตใจอยู่มันก็ยังไม่เรียบเลย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 ต้องให้มันเรียบก่อนอันแล้วควงชั่วทางวมดีมันก็เหมือนกันเรงเรียบมันง่ายง่ายวิธีทำให้เรียบคือสตินี่แหละปาบเลยใบ ม, มีดรถแท็กเตอร์ปราบมันลงไปลู้มันลงไปรอบแล้วรอบเล่ารู่แล้วลูแเล่ามันก็ใค่แล้วเป็นทางไปแล้วลู้เท่าไหร่ก็เป็นทางไปที่นั้นร้อยร้อยอย่างที่มันเกิดขึ้นในรลาปฏิบัติเนี้ยสารพัดสารเพ มีตัวลูกตัวเดียวไปเลยเราจะงสบายมากให้มันผ่านได้สามารถผลได้ผ่านเนือการเกิดเจริญตายมัต้องเรียบตรงเนี่ยตั้งแต่ต้นนี้ไปคือรู้ไปรู้ไปลู้แล้วไม่เป็นไม่ให้ค่าอะไรมันลูกก็ไม่คุณ่าวความรู้มันไม่ลูกก็ไม่คุ้ค่าวความรู้มันสุขก็ไม่คุณค่าวความสุขหลวงพ่อจะพูดมันอยู่เรื่องเดิมแหละ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 วัดธงน้องกวงกวงดินแห่งไงพงะจระสงสารกลางดง ก, าด ก, กวาทงขี่ข้านแล้วกลางบ้านกวาดดงเออแตาฟักใตเขาก็แบบเออเอเอเ อ, เอาท้านาลิเจกลางตะเลชีเพ่งฝนตกไม่ตองว่าลองไม่ถึงถึงได้ต้งหมดบาปปุ่นเดยเออเออใช่ไหมอาจารย์พุทธธรรต้นมะพร้าวกลางสะ ไปโดก็ได้มาพร้าวนารีเจแพงก่องลูกมาพร้าวนารีเจกลางทะเลขี้พึ่งทำไมอยู่กลางขี้พึ่งต้นมะพร้าวหมายถึงมรรคผลนิพานขี้พึ่งคืออะไรดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจความโกรธของโลกของหลงความรักความชังมันเป็นขี้พึ่งมันลอยยากมันดีใจมันสุขมันทุกข์ความสุขเป็นทะเลความทุกข์เป็นทะเล ผู้จะไปถึงได้ต้องหมดบาปบุญโดยความทุกข์เป็นบาปความสุขเป็นบุญถ้ายังมีบุญมปนบาปยังมีดีใจเสียใจอยู่ก็ไปถึงมะพร้าวมาได้ไม่ได้กินมะพร้าวหมายถึงมรรคผลในปานเราจึงต้องลาดตั้งแต่เนี้ยวลูกเจือตัวไม่เป็นอะไรมันสุขก็เห็นมานมันทุกข์ก็เห็นมานวันลู ก, กเห็นมันมันหลงก็เห็นมานพอมาผลตกคงจอมพ่นจะมาเปียก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 เขจะอยู่เย็นเป็นจุกทุกทุ่นน้าทุกคนนาะ